เพิ่งพากันตั้งใจถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งใจเพื่อฟังธรรมต่อไปในวัดวาอารามนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิสันฐานซึ่งกันและกันนอกจากธรรมะ กธรรมะนี่แหละนับว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตของคนเราสิ่งอื่นนั้นถึงจะคู่ควรได้มันก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามไปส่วนธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลก็ดีเป็นฝ่ายอากุศลก็ดีหากคุณใดสั่งสมให้ เกิดมีในตนแล้วเมื่อจะต้องติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนจะต้องอำนวยผลให้ตามลักษณะอาการแห่งกรรมนั้นๆอันนี้นะว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรจะศึกษาให้รู้รให้เข้าใจธรรมนั้นแปลว่าสภาพที่ทรงบุคคลผู้ปฏิบัติตามนั้นไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกติอบายภูมิเป็นตน้น พระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้แหละว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นพระองค์รู้แจ้งแล้วจึงนำมาแสดงเมื่อผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็ย่อมจกได้รับผลเห็นประจักษ์ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องไปคอยรับผลในโลกหน้านั้นอย่างเดียว เรียกว่าต้องเห็นผลในปัจจุบันแต่ว่าเห็นผลทางด้านจิตใจไม่ไม่ได้หมายเอาทางภายนอกไม่หมายเอาทางรูปวัตถุต่างๆรูปวัตถุต่างๆเช่นเงินทองเข้าของต่างๆหมืนั้นอันนั้นมันเกิดจากเหตุสองอย่าง คือเกิดจากบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ชาติก่อนห้นหลังอย่างหนึ่งแล้วก็มาแสวงหาเอาในปัจจุวันนี้อย่างหนึ่งนี่มันประกอบกันเข้ามันถึงได้มีโพคะทรัพสมบัติต่างๆขึ้นมาได้สำหรับบุคคลผู้ที่ ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมามากแต่ชาติก่อนถึงเกิดมาชาตินี้นั่นแม้ว่าจะทำการงานแข็งแรงแข่งขันสักเท่าไรเท่าไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้ได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีกุศลหนหลังมาหนุนส่งถ้าว่าไม่อาศัยบุญกุศลหนหลัง มาหนุนส่งอย่างนี้ทุกคนก็ย่อมร่ำรวยเหมือนกันหมดเพราะว่าต่างคนต่างก็หาต่างก็ทำการงานต่างๆโมนี่ไอ้ที่มันไม่ร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามันไม่มีกุศลผนหลังหนุนส่งดังกล่าวมาแล้วดังนั้นส <c oughs> ิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ให้พึ่งเข้าใจว่า เป็นผลบุญที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาอำนวยให้แล้วส่วนที่ผลที่บุคคลประพฤติ ท, ทำในโลกนี้ที่จะได้รับก็คือมันได้รับทางจิตใจทำให้ใจสบายทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในเรื่องบาบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ อันนี้เราจะเห็นผลในปัจจุบันนี้ทีเดียวแหละการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายวาจาใจนี้เองเพราะกายก็เป็นธรรมอันหนึง่งวาจาก็เป็นธรรมอันหนึง่งใจก็เป็นธรรมอันหนึง่งนี่เป็นธรรมหมายความว่ากายวาจาใจนี้ บุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาตกแต่งให้เรียกว่ากุศลธรรมก็ว่าได้ก้อนกายอันนี้นะก้อนกุศลธรรมเพราะว่าบุญกุศลตกแต่งให้จึงได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้ไม่วิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าอากุศลทําตกแต่งให้อย่างนี้ อัตภาพร่างกายนี่มันจะต้องบกพ้องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าตาบอด <c oughs> ตาบอดมาแต่กําเนิดบงังหูหนวกมาแต่กําเนิดบ้างหรือแขนด้วนบงังขาด้วนบงังเหล่านี้เป็นตน้น <c oughs> อันนั้นเรียกว่าบาปมันตกแต่งให้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ย ที่มันสมบูรณ์ทุกส่วนนี่ก็จึงชื่อว่าเป็นก้อนบุญก้อนกุศลแต่ว่าบุญกุศลเหล่านี้นี่มันมีขอบเขตเมื่อมันให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วรูปร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลง <c oughs> ส่วนบุญกุศลที่บคุคคลกระทำในปัจจุบันนี้ หากว่าผู้ใดรักษาจิตของตนให้ดีสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่ให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลความดีของตนที่ตนกระทามาไม่ไปเชื่อปรำประลาไปอย่างอื่นเลยเชื่อต่ความดีของตัวเองนี่แหละอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี่ มันไม่สามารถที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่เราได้ถ้าผู้ใดได้ความเชื่อมั่นในความดีของตัวเองดังกล่าวมานี่แล้วกุศลความดีต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนย่อมติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนอำนวยผลให้เป็นสุขไปในทุกภพทุกชาติหากว่ายังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน ยังจะต้องเกิดอยู่ในวัฏฏะรสงสารอันนี้บุญกุศลเหล่านี้ก็จะอุปถรัรมภำรุงให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนี่แหละชีวิตของคนเรานะขอให้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วก็ได้นำมา แสดงสู่การฟัง <c oughs> ไม่ควรที่จะไปเข้าใจสับสนบางคนก็เข้าใจไปในเรื่องเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้อย่างสับสน <c oughs> เช่นบางคนนะทำบุญกุศลทำบุญให้ทานการกุศลอะไรมากมายแล้วแต่ก็ยังยากจนอยู่ หรือว่าค่าขายก็ไม่ค่อยมีกำไรไรมงนิต์ชลอยว่าบุญกุศลที่ทานี่จักไม่อำนวยผลแล้วก็มังบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นก็มี mm hmm. นี่เรียกว่าเข้าใจสับสนกันไปก็ธรรมดาว่าไอ้บุญและบาปนี่นะมันจังไม่ก้าวกล่าวก้าวไกลกันเลย <c oughs> ถ้าบุญกุศลทนหลังเนี่ยมันยังอำนวยผลให้อยู่บุญที่ทำในปัจจุบันนี่มันก็อานวยผลให้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม่บาปก็เหมือนกันเหละเมื่อบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นกระทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้อยู่บุคคลนั้นจะทำบาปกรรมอย่างไรในปัจจุบันนี้บาปกรรมอนั้นนั้นก็ยังอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลย เพราะว่าบาปเก่านะั้นมันยังให้ผลอยู่เออก็คอยเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้อันชีวิตของคนเรานั่นนะเมื่อเมื่อเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วผู้ใดมาพิจารณาดูตนเห็นว่าตนนั้นยังมีบุญน้อยอยู่เพราะมีความสุขน้อยไม่มากอย่างนี้แล้วก็จะต้องไม่ประมาทมาหนิรีบเรร่งบําเพ็ญบุญกุศลเข้าไป ให้มันมากขึ้นโดยลำดับเราบำเพ็ญบุญกุศลในปัจจุบันนี้บุญกุศลอำนวยผลให้เรามีความสุขใจสบายใจเมื่อเราได้รับความสุขความสบายใจแล้วถึงแม่ว่าจะมีเงินมากหรือไม่มีเงินมากมีทรัพย์น้อย ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรในเมื่อใจเรามีความสุขสบายอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความร่ำรวยหรือความยากจนซัพย์ภายนอกนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานมดเลยบุญก็ดีบาปก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีหมู่นี้นะมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเลย ไปอย่างนั้นบุญถ้าใจไม่สร้างเอาขึ้นไม่ใจไม่เชื่อใจไม่ยึดถือเอาไว้บุญก็ไม่มีแม่บาปก็เหมือนกันเมื่อบาปนี่เห็นว่าเป็นของเสนียดจันไรต่อชีวิตแล้วไม่สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลยเพราะผู้นั้นไม่ได้สร้างมัน ที่มันจะมีอยู่ได้ก็เพราะผู้นั้นสร้างมันขึ้นมาต่างหากความสุขก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลทำเหตุแห่งความดีมากๆเข้าไปในแต่ชาติก่อนนู่นเหตุแห่งความดีนั้นมากาอานวยผลในชาตินี้ผู้นั้นก็มีความสุขมากมันก็เกิดจากจิต ด, ดวงนี้เองเลอจิต ด, ดวงนี้แต่ชาติก่อนนู่นนะพอใจในบุญกุศลมากทีเดียว ทำบุญกุศลมากอย่างนี้นะนั่นแหละผลมันนำานวยให้ในชาตินี้มันก็มากถ้าหากว่าพอใจในบุญกุศลแต่น้อยทำบุญแต่น้อยมันนำานวยผลในชาตินี้มันก็เพียงเล็กน้อยมันก็ไปตาม <c oughs> กำลังของการกระทานั่นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาทำบุญกุศลในชาตินี้ แล้วมันจะให้มันอํานวยผลให้เจริญรุ่งเรืองตามที่ตนต้องการปาถนาทุกอย่างไปเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ทำบุญกุศลมานี่มันก็คงจะร่ำรวยกันหมดเลยทีเดียวแหละเพราะว่าแต่ละคนนั้นทำบุญได้ทานนี่นับว่าหมดเงินหลายร้อยหลายพันทีเดียวหละ บางคนอาจจะหลายล้านก็ได้ที่ทำบุญมาอุปถรัรมภามรลุงวัตาศาสนามาอย่างนี้นะแล้วทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยนั่นแหละก็เพราะเหตุว่ามันยังไม่ถึงการเวลาที่บุญใหม่นี้จะพึ่งอำนวยผลให้ก่อนอุปมาเหมือนอย่างบุคคลปลูกไม้ยืนต้นอย่างนี้นะ พอปลูกลงไปแล้วจะรีบใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปเพื่อบีบบังคับให้มันเจริญไว้ใหญ่โตให้มันผลิดอกออกผลปลูกปีนี้ปีหน้าให้ได้ผลเลยอย่างนี้มันผิดกฎธรรมดามันเป็นไปไม่ได้เมื่อบุคคลมารู้ว่าไม้พันธุ์นี้นี่มันจะต้องมีอายุ สัก5้าปีมันยึงจะพริดอกออกผลให้ได้อย่างนี้เจ้าของผู้ปลูกก็ไม่เดือดร้อนใจปลูกลงไปแล้วก็พยายามรักษาดูแลมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเมื่อถึงปีที่ห้านั่นมาแล้วมันก็จะต้องพลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ดูแลรักษานั้นได้บริโภคต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเลย บุญกุศลบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีบางอย่างมันก็ให้ผลไปในชาติหน้าก็มีบางอย่างมันให้ผลข้ามพบข้ามชาติไปนู้นก็มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้ใดมาเรียนรู้กรรมและผลแห่งกรรมอันมันติดสอยห้อยตามชีวิตของ คนเรานี่ตามเป็นจริงดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นน่บำเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปมากก็ดีน้อยก็ดีก็ไม่ได้หวังผลอันเป็นด้านวัตถุในปัจจุบันนี้เลยหวังผลทางด้านจิตใจต่างหากทางจิตใจแล้วแน่นอนแหละเมื่อได้ทำบุญกุศลไปแล้วต้องใจสบาย อันนี้เห็นผลได้ในปัจจุบันนี้จริงๆเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วการบำเพ็ญบุญกุศลก็ไม่ทอ้อไม่ถอยเลยได้โอกาสเวลาใดก็ทำลงไปเมื่อ น, นั้นทีนี้การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพียงการให้ทานให้ใหวัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจ อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลจะว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลก็ถูกต้องคําว่ากุศลนั้นแปลว่าตัดคือตัดเสียซึ่งบาปอากุศลต่างๆนี่นะเรียนว่าการเมื่อนอกจากการให้ทานแล้วก็มารักษาศินเข้าไปอย่างนี้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เช่นนี้นี่บุคคลผู้ที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดในใจก็ไม่สามารถที่จะละบาปดังกล่าวมานั้นได้ผู้ผู้ใดละได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นมีความฉลาดสอนตนของตนให้กลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าผู้นั้นมีปัญญาสอนใจของตนได้อย่างนี้ ก็จึงสามารถละบาปกมไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสัมรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยได้อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาสินนี่มันเป็นกุศลเนีเ่ยว่าเป็นความดีอย่างสูงเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาอันปัญญานี่มันย่อมเกิดจากการประกอบ เช่นอย่างว่าเรามาดําำริทําอย่างใดหนอเราจึงจะมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้นะอ๋อเราจะต้องพยายามละเว้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีสติสํารวมระวังจิตใจของตนให้ดีไม่ให้จิตมันตกไปในทางอากุศลอย่างนีเ้เมื่อมีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละเมื่อสํารวมใจได้แล้วอย่างนี้ มันก็ไม่ใช้กายวาจาทาบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยเป็นอย่างนั้นแถมยังได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมาชำระละ้างจิตใจที่เศร้าหมองหุ่นมัวนี่ให้ผ่องใสสะอาดให้ใจเยือกเย็นสงบนิ่งอยู่ได้ อันนี้ก็ยิ่งเป็นกุศลอย่างสูงอีกกว่านั่นอีกนี่แหละการบําเพ็ญบุญกุศลนี่มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาพุทธนี่ไม่ควรจะเพียงเข้าใจเพียงเป็นบางแง่บางมุมเท่านั้นเข้าใจเพียงแค่ว่าการทำบุญก็คือการให้เข้าของเงินทองเป็นทานเข้าใจเพียงแค่นั่นหนึ่งมันยังไม่รอบครอบพอ เพราะนั้นต้องเข้าใจให้มันลึกเข้าไปกว่านั้นอีกอเข้าใจว่าการที่เราทําดีพูดดีคิดดีปรับปรุงกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอันนี้นะ่าจะชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยยืนเดินนัง่งนอนอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดถ้าเราไม่ทําชั่วแล้วนะ ทำแต่ความดีพูดแต่ในเรื่องที่ดีที่จริงไม่พูดเท็จไม่ซอเสียดไม่ด่าแช่งใครเลยอย่างนี้นะพูดแต่เรื่องที่จริงพูดแต่เรื่องที่มีเหตุมีผลพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นการกระทำทางกายก็เช่นเดียวกันเลือกทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แล้วนี่ มันก็เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยกายวาจาใจอันนี้นะทางจิตใจก็มีสติสํารวมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์อยู่เสมอไม่ให้ใจของเรามันห่างจากพระคุณทั้งสามนี้แต่ว่าการภาวนาท่านให้ย่อเอามาเพียงพระคุณเดียวเท่านั้นถ้าจะบริกรรมพุทโธก็เอาแต่พุทโธ อย่างเดียวแล้วธรรมโมสังโฆก็รวมอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละถ้าจะบริกรรมธรรมโมก็ตั้งใจนึกแต่ธรรมโมอย่างเดียวพุโทโธสังโฆก็รวมอยู่ในนั้นเลยอ่เป็นอย่างนี้เราทําความเข้าใจเอาอย่างนี้แล้วก็มาบริกรรมพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่น ใจก็จะเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแล้วบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นจากใจที่สงบเยือกเย็นอยู่ภายในนั่นเองแหล ะ, ะคําว่าบุญนั้นหมายเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วทําใจให้เบิกบานผ่องใสนั่นแหละคําว่าบุญน ะ, ะคําว่ากุศลนั้นหมายเอาดวงใจที่ฉลาด รู้จักละสละความชั่วออกจากกิจใจของตนให้ได้อันนี้เป็นกุศลอันนี้นะเป็นความดีอย่างสูงเพราะบุคคลผู้ไม่ฉลาดแล้วนั้นไม่สามารถที่จะมาสละความชั่วที่ตนรุ่มหลงกระทามาแต่ก่อนนั้นออกไปจากกิจใจได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่ เมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนว่าพระพุทธเจ้านี่มันก็ยอมรุ่มหลงทำบาปทำชั่วมาบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนะี <c> ่ย <oughs> ทีนี้เมื่อบุคคลได้ทำชั่วมาอย่างนั้นทำบาปานั้นบาปมันก็ติดตามมาอยู่ในจิตใจนั่นแหละแต่มันยังไม่แสดงอนุภาพออกมาเท่านั้นเองเพราะมันไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็เก็บตัวเงียบๆอยู่ในใจนั่นแหละ <c oughs> แต่ทีนี้เมื่อบุคคลที่จะมาละบาปดังกล่าวมานีได้ก็ต่อเมื่อได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปน้อมจิตลงสู่ความสงบบบบนี้เมื่อจิตนี่สงบลงไปแล้วมันไปทับกับบาปอากุศลเหลนะ่านั้นบาปอากุศลเหลนะ่านั้นมันอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดิ้นออกมาเลยแบบนี้น ะ, ะเมื่อมันดิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะ เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามขึ้นในใจิตใจบัดนี้เราก็รู้ตัวอ๋อนี่คือตัวบาปอากุศลเนี่ยเราจะไม่ยึดถือเอามันไวไน้บัดนี้เราจะละมันเช่นบางทีมันนึกถึงเรื่องอดีตอันมันชั่วร้ายต่างๆมาอย่างนี้นะ <c oughs> นึกถึงศัตรูนึกถึงบุคคลที่เป็นศัตรูต่อตอนมาละใจคุณขึ้นมาอันมนี้เรียกว่ามันเป็น บาปกรรมอันเป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็มาโผล่ขึ้นในจิตใจนี่นั่นเป็นปัจจุบันนี้ <c oughs> เมื่อเรารู้ว่านี่บาปอกุศลก็กําหนดละมันไปเลยบัด น, นี้แหละเราจะละบาปได้ในตอนนี้แหละบัด น, นี้เออเราภาวนาลงไปอ่ะทาใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันดิ้นออกมาตัวไหนเราก็เห็นมันแหละ <c oughs> เมื่อเห็นมาแล้วก็ละมันบัด น, นี้อธิษฐานใจละเรื่อยไป เมื่อใจเราไม่ยึดไม่ถือเรารู้ตัวมันแล้วเราไม่ยึดไม่ถือแล้วบาปนั่นตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็ต้องดับไปแน่นอนเพราะว่าบาปหรือบุญนั่นมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจไม่ควรนิ่งนอนใจว่าเราไม่มีบาปอยู่ในตัวแท้ที่จริงแล้วมันต้องมีแหละ พบว่าความพลังเผือมันต้องมีการทำบาปทำชั่วบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะดังนั้นเราเราจะเห็นตัวบาปต่างได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเมื่อ น, น้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้บาปมันดิน้นจิตจะจะสงบไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะอึดอดัดขัดค้องอะไรต่ออะไรขึ้นมา นั่นแหละบาปมันผักดันเอาจิตไม่ให้สงบลงได้อาแบ น, นี้เราก็รู้ได้เลยว่าอ๋อนี่บาปมันเล่นงานเราแล้วเราจากไม่ยอมอ่อนข้อหามันเลยเราจะสู้กับมันเราจะขจัดมันออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็เพ่งเรื่อยไปละ ตั้งความอดความทนลงไม่ท้อไม่ถอยเพ่งลงไปจนมองเห็นว่าบาปอากุศลต่างๆก็ดีมันเป็นเพียงธรรมารมเท่านั้นเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจดังนั้นธรรมารม์หรือความคิดเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยก็ เพ่งพินิจ์ดูความเกิดความดับของอารมณ์ต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนั้นนะเมื่อใจมันก้าวขึ้นสู่ทางปัญญาแล้วอย่างนี้มันจะเห็นอารมณ์เรือมันจะเห็นบาปอากุศลต่างๆเหล่านั้นเป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อมันเห็นแจ้งชัดอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาไว้ นั่นแหละบาปกรรมมันจะระ ง, งับดับไปเลยแบบ น, นี้น ะ, ะเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยจิตไม่ยึดถือเอาแล้วเมื่อบาปนั้นระ ง, งับลงไปแล้วบบ น, นี้ใจมันจะรวมลงได้เลยเมื่ออารมณ์ต่างๆอันที่มันค้างอยู่ในจิตใจมันระ ง, งับไปแล้วจิตนี่มันมันรวมลงเองเลยไม่ได้ขม่มไม่ได้ขี่อะไรมันมันรวมลงเอง ไอ้ที่มันรวมลงไม่ได้ก็เพราะว่าบาปกรรมหรือว่ากิเลสบางอย่างมันผักดันจิตใจไว้ไม่ให้ใจรวมลงได้นี่ให้เข้าใจการภาวนานี่นะบางคนไปนั่งภาวนาเข้าไปจิตว่าวุ้นเข้าไปแล้วไม่สู้แล้วถอยแล้วหยุดภาวนาแล้วอย่างนี้มันได้ชื่อว่าเป็นความประมาท ยอมแพ้ต่อบาปอากุศลต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าไปยอมแพ้ต่อบาปอากุศลเราต้องสู้ต้องเพ่งกันอยู่ยนั่นเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปสมาธิมันเข้มแข็งเข้าไปแล้วไอ้กีเ ล, ล่เรลานะั้มันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันยอมระ ง, งับไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแ่ะตอนที่ พระองค์ประทับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนั่นตอนปฐมถยายามหัวค่ำอา้าวกิเลสสมานต่างๆก็กุ้มลุมพระองค์เลยทีเดียววันนี้พระองค์ก็รู้ว่ากิเลสสมานนี่มันมาคุกคามแล้วพระองค์ก็ไม่ท้อไม่ถอยสู้ไปสู้มาแบบนี้เมื่อมันรุนแรงเข้ามากๆแล้ว พระองค์ก็นึกถึงพระบรมมีธรรมที่พระองค์ได้อบรมสั่งสมมาแต่เนกชาติถ้าหากว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทาบำเพ็ญมานั้นถากมีจริงแล้วก็ขอให้มาปรากฏขึ้นในขณะนีะ้เป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าในบัดนี้ทันใดนั้น บุญกุศลที่พระองค์ก็ทำมาแต่ชาติปางก่อนนั้นมันก็มารวมกําลังกันเข้าบันดาลให้เกิดเป็นน้ำท่วมมารและเสนา ม, มารต่างๆเหล่านั้นให้กระจัดกระจายไปไม่สามารถที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับพระองค์ได้เลยถ้าเป็นธรรมมาที่ฐานก็นหมวามว่าสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคต ที่พระองค์ได้ปรุงแต่งขึ้นมานั้นร ง, งับดับไปหมดเลยในเมื่อพระองค์ได้อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมีบังเกิดขึ้นแล้วทําให้พระไทยของพระองค์หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินไม่วันไหวต่อกิเลสสมานล่างๆเหล่านั้นเมื่อกิเลสสมานเหล่านั้นสู้บา ร, รมีธรรมของพระองค์ไม่ได้แล้วมันก็ระ ง, งับดับไปเลยอืาเป็นอย่างนั้น ต่อจากนั้นไปพระไทยของพระองค์ก็สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปไม่ต้องได้ต่อสู้กับมารอีกในขณะนั้นต่อจากนั้นก็จึงได้เกิดงานความรู้ยิ่งโดยลำดับไปจนตลอดจวนสว่างก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก นี่แต่พระพุทธเจ้าแท้ๆพระองค์ก็ยังมีกิเลสสมานติดสอยห้อยตามรังควานรบกวนพระองค์จ๋อวาระสุดท้ายน้นฉน์ไหนเราคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะไม่ให้กิเลสมันคุกคามเอานั้นไม่ได้เลยกิเลสมันต้องคุกคามแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอได้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้คือแสดงว่าไอบ้บรรดากุศลคุณงามความดีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการกระทำทั้งนั้นเลยเอ้อเช่นอย่างการให้ทานเราก็ต้องลงมือทำอย่างนี้แหละ